เป็นวันภารณาออกพรรษาของภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาด้วยกันอยู่ในไตรามาสสามเดือนที่อยู่กันมาโดยลำดับก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงเมื่อรักษาพยาบาลแล้วก็หายไปแต่ส่วนมากก็มีสุขภาพดี เพราะว่าวัดนี้มันอยู่บนภูเขาอยู่ที่สูงแล้วก็อากาศก็บริสุทธิ์ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ดีดังนั้นไอ้ผู้ที่เจ็บป่วยนั่นแสดงว่ามันมีโรคภัยติดตัวมาแต่ก่อนมาอยู่วัดนี้เพราะนั้นมาอยู่แล้วมันก็ท่องกาเลิอกไปตามการเวลาของมัน แต่เมื่อรักษาพยาบาลเข้าไปแล้วมันก็บนเทาลงให้ผู้ที่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมาแต่เดิมก็รู้สึกว่ามีสุขภาพอนามัยดออีกันไปเพราะฉะนั้นที่นี้ท่านจึงเรียกว่าเสนาสนะส ป, ปายะที่อยู่อาศัยเป็นที่สบายแก่ผู้มาอาศัยประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สถานที่เหมาะสมอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรที่จะประมาทควรที่จะพากันรีบเร่งตั้งใจทําความเพียรเข้าไปกิเลสอันใดที่ยังละไม่ได้เราก็ตกเพียรเพ่งพินิษฐให้รู้เรื่องของกิเลสล่านั้นล ะ, ละมันเสียอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ตักตัวของกิเลสก่อน มันก็ละกิเลสไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นท่านยังให้ภาวนาทำใจให้สงบระ ง, งับลงไปเมื่อใจสงบลงแล้วมันจิตใจมันก็เบิกบานผ่องใสกระแส จ, จิตมันก็ผ่องใสอย่างว่านันเนี่ยทีนี้เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาคน้นดูอไรก็ ความเป็นอยู่ของจิตใจนี่นะใจนี่มันยึดถืออะไรไ้บ้างนี่ก็รู้ได้ด้วยปัญญาบบ น, นี้นะเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วก็รู้ได้เลยกถ้าหากว่ากิเลสอันใดมันมีมันก็คอยที่จะโผล่ขึ้นมาเล่นงานนะรบกวนจิตใจไม่ให้สงบตั้งมั่นอยู่ได้นี่เมื่อเรารู้ตัวเองมันอย่างนั้นแล้วก็ จะไม่ยอมปล่อยให้มันรบ ก, กวนจิตใจให้พุ่งซ่านลำคาญต่อไปก็กําหนดละมันทันทีนี่แหละการภาวนาสมาธินี่นะมันเป็นอุบายละกิเลสป่าพระธรรมออกจา ก, กจิตใจไม่ใช่ว่าเราจะไปภาวนาแล้วสงบอยู่เฉยๆคันเมื่อกิเลสมันมารบ ก, กวนจิตใจเข้าไปกับจิตถอนสมาธิแล้วก็ ปล่อยให้จิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นๆไม่ใช่อย่างนั้ น, นการทำสมาธิขอให้เข้าใจเมื่อเราทำจิตให้สงบได้จะไม่นานก็ตามหากว่ามันมีกิเลสอันใดโผล่ขึ้นมาอย่าไปยอมให้มันบรบกวนครอบงำจิตใจเราต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณากิเลสอันนั้น ให้มันเห็นแจ้งชัดนี่คือราคะก็ให้รู้อย่างนี้นะนี่คือโทสะมันเกิดขึ้นมาก็รู้นี่คือโมหะมันเกิดขึ้นแ้ะมันทำให้เกิดความสงสัยลังเลไม่แจ่มแจ้งในบุญในบาปคุณโทษต่างๆนั่นชื่อว่าโมหะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยากเลยเมื่อรู้หน้ารู้ตาของกิเลสแล้ว ราคะมันก็เป็นไฟกองหนึ่งเผาจิตใจเราโรนเช่นนั้นนะ่ะเมื่อเรารูฤทธเดชของราคะอย่างว่านีก็กหนดละมันไม่ส่งเสริมมันเพ่งมันอยู่นั่นนะเํา่ากําหนดละนี่คือเพ่งเพ่งละมันเพ่งให้มันดับไปอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่เพ่งอย่างนั้นนะ เราจะไปว่ากําหนดใจละมันเดียวเดียวหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาอีกเนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนในเพ่งพินิษฐ์ทวนว่าเพ่งดูกิเลสนี่เออกิเลสราคะตัณหามันมีมันเป็นของร้อนอย่างนี้อย่างนี้มันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้เพ่งพินิษฐ์ดูลิตเดชของมันดูไอความชั่วร้ายของราคะตัณหามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ เมื่อมันเพ่งดูเห็นว่ามันมีโทษมากมายก่ะก็มันก็เบื่อหน่ายเอ่มันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเบื่อหน่ายด้วยอํานาจแห่งปัญญาแบบนี้นะเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความก็มัหนัดลงได้ถึงไม่หมดก็เรียกว่าเบาลงมากมันเป็นอย่างนั้นแม่โทสะ ก, ก็เหมือนกันถ้ามันมันถึงขั้นสมาธิอย่างนั้นแล้วกิเลสโผล่ขึ้นมามันก็ไม่รุนแรงหรอก มันรุนแรงก็ตามนะแต่เราเพ่งพินิษ์ให้เห็นโทษแห่งความโกรธ น, น, นั้นว่ามันไม่ดีมันก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาดกันไหมก่อให้เกิดผูกเวน้นผูกกรรมต่อกันและกันชาตินี้แล้วก็ชาติต่อไปก็ไปเป็นเวรกันไปอีกอย่างนี้นะเมื่อมันเป็นเวรกันอยู่นี่มันจะมีความสุขแต่ที่ไหนสอนใจเข้าไปอย่างนี้ ใจมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็เบื่อความโกรธวันนี้มันก็ไม่ต้องการในว่นนี้เมื่อไม่ต้องการมันเบื่ อ, องนั้นแล้วใครมายั่วให้โกรธมันก็ไม่โกรธมันก็รู้ตัวได้ะนี่มนันน่นนี่นะมันจะมายั่วให้เราสร้างความโกรธขึ้นมาอีกเราเบื่อเราเห็นโทษเข้ามันแล้วเราไม่สร้างแล้วเอา้าใครจะโกรธก็โกรธไปแต่เราจะไม่โกรธตอบ เมื่อมันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนั้นแล้วมันก็ละได้เลยอ่อก็ละได้ฮันบงั้นความหลงนี่เราก็เพ่งดูอ๋อความหลงนี่ลักษณะอาการมันเป็นอย่างนั้ น, น, อ, น, อ, าานอย่างนั้ น, น, นความหลงนี่คือความไม่รู้แจ้งนั่นเองเนี่ยความสงสัยลังเลว่าบุญเป็นยังไงหนอบาปเป็นยังไงหนออย่างนี้นะมาพ้นนิพพานเป็นยังไรหนอนรกที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นเป็นอย่างไร เรานั่นไม่เห็นด้วยตาของตนเองชักสงสัยว่ามีจริงเหรออย่างนี้นะนั่นเรียกว่าความหลงนะ่ะมันทําให้เกิดความสงสัยไปทั่วเลยเมื่อหาว่าปล่อยไปอย่างนั้นแล้วจิตใจมันก็ย่อมคลายจากคุณงามความดีนะ่ะจะทําไปทําไมมันคงจะไม่มีดอกไอเรื่องหมูนั่นนะอย่างนี้นะ ทำบุญก็เสียเปล่าไห้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินเขาว่านั่นะอันอย่างนี้ดังนั้นนะเ้วก็เพ่งดูความหลงอันนี้เออมันเห็นผิดไปจากคำสอนของพุทธเจ้าจริงเช่นยังเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีอะไรอย่างนี้นะถ้ามันเห็นอย่างนั้นโดย แจ้งชัดในใจอย่างจริงอันนี้มันก็ปฏิเสธอะไรบานี้ไม่ทําบุญแล้วคนผู้เห็นเช่นนั้นนะนี่แหละแต่มันถ้าเพียงลังเลสงสัยอยู่เท่านั้นเช่นนี้มันก็ยังทําบุญอยู่แต่ว่าทําไม่เต็มที่เพราะมันสงสัยนี่สงสัยว่ามันจะได้ผลหรือมันไม่ได้ผลเนาอยางี้นะมันก็ทําเต็มที่ไม่ได้แล้วมันสงสัยลังเลอยู่ดังนั้นเมื่อเรา มาเพ่งจิตนี้เข้าไปมันก็จะเห็นโทษแห่งความหลงเหล่านี้เมื่อระงับความหลงเหล่านี้ออกไปแล้วความรู้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เห็นแจ้งว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ในใจนี่เองไม่ได้อยู่นอกใจอะพระนิพพานเนี่ยเมื่อใจนี้ละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วก็เป็นนิพพานเท่านั้นเองเนะ ก็เป็นนิพานท่านไม่ว่าจิตว่าใจซะแล้วว่านิพานอ่มันเป็นอย่างนั้นคือว่าจิตดวงนี้มันไม่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกแล้วนะท่านก็บัญญัติว่านิพานเท่านั้นเองเนี่ยเรามาเพ่งดวงนี้มันก็ค่อยเข้าใจไปได้เลยอ๋อคําว่านิพานนี่มันหมายถึงมาเ พ, ย, พยายามดับกิเลสภายในจิตใจนี่ให้มัน หมดหมวยลงไปให้มันเย็นลงไปอย่างนี้นะให้มันน้อยลงไปโดยลำดับนี่ทารกกิเลสนี่หมดเมื่อใดแล้วก็จิตนี่ก็ถึงอมตะธรรมถึงธรรมอันไม่มีปัจจัยพรุงแต่งเมื่อไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีกเป็นงั้นมันหมดปัจจัยแล้วเนี่หมดเหตุที่จะนำไปแล้ว อันนี้แหละเมื่อเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วมันก็ลงความเห็นได้ว่ามันเป็นจริงพระนิพพานไม่ได้อยู่นอกกิจนอกใจอยู่ที่ใจของคนเรานี่เองแต่ใจมันไม่บรรลุพระนิพพานได้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันยังละกิเลสไม่หมดยึดถือเอากิเลสไว้อยู่เมื่อ ย, ยังยึดถือกิเลสไว้อยู่ตราบใดนะี่ไม่มีทางหรอกที่จะได้บรรลุถึงพระนิพพานนะมันเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะอะไรแล้วบ่เนี้ก็ภาคเพียรมยายามละ ก, กิเลสไปเรื่อยๆสิบ่เนี้เอาโลกธานิวัตอันนี้มันไ ม, ม, นไม่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากโรคคือร่างกายสังขานนี่นะแล้วดวงจิตมาอาศัยอยู่นี่มันแสนลําบากจริงๆเพราะมันไม่เที่ยงแล้วจะไปยินดีพอใจอะไรกับมันนะอะไอย่างนี้นะ กับปัญญาสอนจิตเข้าไปจิตก็เห็นตามปัญญาส่วะนี่เห็นว่าจริงๆนะไม่ควรที่จะไปยินดียันร้ายกับขันห้านี้เลยคงจะยินดีกับมันวันไหนมันก็ไม่อยู่ในบงังคับบัญชาแม้จะยินร้ายจะเบื่อหน่ายมาอย่างไงมันก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาถึงครามมันแตกมันดับมันก็แตกก็ดับไปมอเป็นเช่นนี้ทาอย่างไรละ มันถึงจะพ้นทุกข์เหล่านี้ไปได้ก็วางอุเบกขาลงสิอย่าไปหลงยินดีอย่าไปหลงยินร่ายกับขันห้าอันนี้พยายามประครับครองจิตของตัวให้เป็นกลางอยู่ทั้งเวลาปกติก็ดีเวลาเจ็บไข้ไม่สบายมา ก, ก็ดีเช่นนี้เราก็ประคองจิตให้เป็นกลางอยู่ได้เพราะรู้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราอะมันบังคับไม่ได้นี่ จะบังคับไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายก็บังคับไม่ได้อย่างนี้ยังจะมาหลงถือว่าของเราอยู่เหลอนี่ปัญญามันก็ถามจิตเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อปัญญาถามเข้าไปบ่อยจิตนี่มันก็รู้เห็นแจ้งขึ้นมาตามปัญญาสิบอันนี้นะเออเป็นจริงเป็นจริง อ, อย่างนี้แหละสรุปแล้วเลยว่ารูปกายนี่ไม่ควรถือมัน่นเพราะไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้ควรปล่อยควรวาง ก็หัดปล่อยหัดวางเข้าไปเรื่อยๆเลอมันเป็นอย่างนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปกับการฝึกฝนนะถ้าหากว่าเราไม่มั่นฝึกฝนแล้วมันเป็นไปไม่ได้อเข้าใจมันละอุปทานไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเวลาจิตใจเป็นสมาธิมันก็ข่มกิเลส น, นั่นให้สงบอยู่ภายในเนี่ยมันไม่แสดงฤทธิ์ออกมาก็ดูมัน ไม่มีกิเลสอะไรเลยจิตใจก็สบายอยู่เป็นปกติอยู่นี่นะแล้วคน ม, มันก็มาลืมตัวตรงนี้แหละอา้าวเราสบายอยู่นะเราไม่เดือดร้อนอะไรนี่แล้วอะไรจะมาบังคับให้กันพระไหวพระภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมอะ่ะนั่นเกิดความผิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ก็ตนยังลา ก, กิเลสไม่หมดนี่แล้วจะไปอยู่เฉยๆได้อย่างไรอ่ะท่นพอเผลอสติพออยู่เฉยๆเรื่อยๆ ไ, ยไปไม่มีอุบายเงียบใครในใจในกิเลสมันก็โผล่ขึ้นมาครอบงําจิตทันทีอย่างนี้นะนี่แหละให้เข้าใจไอ้คนที่ไม่ได้ฝึกพ้นอารมทาง จ, จิตใจไม่ได้ภาวนานะเหตุฉะนั้นมันจึงเกลียนคนใจเบาเมื่อมีเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบ ก, ก็บมาก็ วันไหนไปตามทันทีเลยเราก็เห็นกันอยู่ดาาดื่มไม่ใช่หรอนี่แหละให้เข้าใจการที่เรายินดีในการฝึกผลอรมจิตนี่นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐของเราเพราะถ้าเราไม่ฝึกผลอรมจิตดวงนี้แล้วเราก็จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในสงสารไม่มีสิ้นสุดลงได้เสวยทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขวันนี้ มันเป็นอย่างนั้นก็ดังนั้นแหละเมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็จึงไม่ควรจะนิ่งนอนใจสมควรตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวทำยังไงทำความรู้แจ้งในกายในจิตอยู่อย่างนั้นนะจิตตั้งอยู่อย่างไรก็กำหนดรู้อย่างนี้นะร่างกายตั้งอยู่อย่างไรแปรปวนอย่างไรก็กำหนดรู้ รู้ตามความเป็นจริงกิเลสมันหุ้มห่อใจมันมีนิมิตปรากฏว่าเหมือนกับท่อนไม้อย่างงี้นะมันหุ้มห่อใจอยู่ยงี่เอาแล้วก็เพ่งท่อนไม้อันนั้นให้มันละลายหายสูญไปเลยวันนี้เมื่อท่อนไม้ละลายหายสูญไปแล้วกิเลสมันก็สงบลงไปเท่า น, นั้นเองนะบรรดานิมิตทั้งหลายนะี่ยมันเรื่องราวของกิเลสนะให้เข้าใจ ดังนันอยไปหลงนิมิตต่างๆบุคคลผู้หลงนิมิตนั้นจิตวิปลรราสพอแต่นิมิตปรากฏในมนโนทวารอย่างไรก็เชื่อมั่นว่าเป็นจริงอย่างนั้นปล่อยจิตให้ไหลไปตามนิมิตนั่นอย่างนี้นะนี่แหละมันเกิดวิปลาสนะให้เข้าใจมันไม่ใช่ทำของจริงนิมิตต่างๆนะไม่ควรที่จะไปถือมั่นนี้ไปถือมั่นของไม่เที่ยงยังไงเล่า ไปถือมั่นของไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เหมือนกับมาถือมั่นร่างกายสังขารอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละอให้เข้าใจถือมั่นในสัญญาวิปราชต่างๆโมนี้มันก็ล้วนแต่เป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์ทางจิตใจทั้งนั้นเลยเอาทํายังไงบ่จึงจะพ้นจากนิมิตเหล่านี้ไปได้ก็เมื่อนิมิตต่างๆปรากฏขึ้น มันจะปรากฏภายนอกพอเห็นนิมิตเหล่านั้นแล้วเราก็กําหนดรู้ว่านั่นคือนิมิตไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรปวนแจกดับไปอย่าไปใส่ใจกับมันเตือนใจเข้าไปอย่างนี้แล้วถอยทวนกระแสจิตเข้ามา อ, อหาความรู้สึกอยู่ภายในนี่นะหายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่งี้นะก็มาเพ่งความรู้สึกอันนี้ ให้แนวแน่อยู่ว่าไม่ให้มันคิดไปไหนมาไหนในขนาดนั้นนะเช่นนี้แล้วไอ้ความนิมิตต่างๆที่มันปรากฏออกมานะ่มันก็จะระ ง, งับไปเลยเพราะว่าจิตใจไม่ได้จดจ่อ ก, กับมันให้เข้าใจอย่างนี้ไอ้ที่มันนิมิตมันไม่หายนั่นนะเพราะว่าใจไปผูกพันกับมันไว้ไปสำคัญว่ามันเป็นจริงเป็นจังนี่นะแท้ที่จริงแล้วมันไม่จริงไม่จังอะไรหรอก มันเป็นสัญญาสัญญานี่เหมือนผีหลอกนี่นะมันหลอกให้จิตดิ้นล่ น, ลนกดแก่งไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงสัญญาความจำหมายอารมณ์ต่างๆจำลูกจำเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจำสีจำเสียงต่างๆจำสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองสีอะไรต่ออะไรอย่างนี้ มันก็ร่วดได้สัญญาทางนั้นเนี่ยสีก็ไม่เที่ยงสัญญาที่จำานี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเน่ยมันมีเกิดมีดับอยู่อย่างนั้นเมื่อเรารู้ลักษณะอาการของนิมิตอย่างนี้แล้วก็ถอยจิตกลับึ้นมามีสติประคองความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี่ไม่ให้มันคิดอ่านไปทางไหนอย่างนี้นะแล้วนิมิตนี่มันก็ดับไปเมื่อนิมิต ด, ดับไปแล้วใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้สบาย เบาปลอดโปรง่งอันิมิตนี่ถ้ารู้เท่านะมันมีคุณอยู่เหมือนกันแหละทำให้ใจผ่องใสเบิกบานทำให้ปัญญาเกิดขึ้นมีสติความคิดนึกว่องไวรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่จรมากระทบกระทั่งตาหูจมูกลิน้นกายใจหมู่นี้นะเรารู้เท่าทันแล้วไม่ยึดถือเอามันไม่ยินดียันไรกับมันแล้ว มันก็หายไปดับไปตามเรื่องของมันเฉยๆนี้นะยังว่ามันซ้าคัญอยู่ที่จิตไปหลงยึดหลงถือในต่างหากไปถือไปยึดถือเอาของไม่เที่ยงหมายข้าว่าอย่างนั้นแหละมันก็ไม่เที่ยงแล้วบบนี้มันก็แปลสภาพไปทั่วเลยแต่ยังว่ามันไม่เที่ยงนี่นะดังนั้นนะ่ะพระพุทธองค์ก็ได้ทรงสอนให้รู้เท่าเลยแม่นิมิตอะไรเกิดขึ้นมา ตั้งสติให้มั่นแล้วกำหนดรู้เท่าว่ามันเป็น เ, เพียงสัญญาอารมณ์เท่านั้นเกิดแล้วก็ดับไปไม่คงเท่ย่างงี้นะดังนั้นขอให้พากันเข้าใจการฝึกขนอบรมจิตใจนี่นะให้เข้าใจตามนี้ผูใ้ใดเทศให้ฟังฟัานี้ยังเข้าใจความหมายไม่ได้นั้นบาปหลายบาปมากทีเดียวเล ก็เป็นเสวยผลของบาปสก่อนไปผู้ใดรู้ตามเห็นตามแล้วก็เออลงมือประพฤติไปนะแต่เพียงจะจำอุบายได้เฉยนี่ไม่ลงมือเพ่งจิตก็ไม่ได้นะจิตจะไม่มีกำลังนะอีกแล้วดัานั้นถ้าเราได้อุบายแล้วเราเพ่งความรู้สึกอันนี้อยู่เสมอเมื่อโอกาสมีเราเพ่งลมหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นเป็นปกติ ลมหายใจออกมาก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่เป็นปกติจิตปล่อยจิตวางอารมณ์ต่างๆที่มันจรมานี่กำหนดรู้จิตตัวเองอยู่อย่างนี้นะตัวเองรู้ตัวเองในวันเถอะเมื่อรู้ว่าจิตนี่มันไม่ยึดถืออะไรมีแต่ปล่อยมีแต่วางรูปเดียวงนี่จิตนี่มันก็รู้สึกว่าส ง, งบละเอียดแนบเนียนเข้าไป แล้วก็เบาโปรง่งเน่ลักษณะของขิดที่มันไม่มีอารมณ์ต่างๆมารบกรวนแล้วนะมาสิงสถิตยอยู่แล้วมันมีแต่เบาแต่โปร่งเลยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็มีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว้ให้รู้เท่าว่าความเบาเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเละเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะเบามันจะหายหนักมันจะเข้ามาแทนอีกนะ เพราะฉะนั้นต้องรู้เท้าไว้อย่างงี้นะตนเองอเตือนตนเองสอนตนเองไปอยู่อย่างนี้เมื่อทําได้อย่างนี้เอกิเลสมันก็งอกงามเจริญขึ้นในจิตใจไม่ได้แล้วใจก็มีแต่กุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่แหละแบบนี้นะมีคุณประพุทธประธรรมประสงค์เป็นเครื่องอยู่ใจก็อยู่กับบุญกับคุณนี่แหละแม้เราไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ตาม เราทำกิจการงานอะไรยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ให้กำหนดว่าจิตดวงนี้เนี่ยมันอยู่กับบุญกับคุณไม่ได้อยู่กับกิเลสอย่างอื่นอย่างนี้นะให้รู้ตัวเองอย่างนี้แล้วก็พยายามรักษาสมาธินี่ไว้ให้มันชำนิชำนาญเข้าออกสมาธินี่มันได้นี่แหะจะเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญา ความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงมีทุกสัต์เป็นต้น